จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเรื่องใสในความุทธาศาสนาทุกๆวันวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ห้าพุาพทธศักราชสองพันห้า้อยห้าสิบเป็นวันที่ท่านท้งหมายมีเวลาจะผาา่านวิกาตการณ์ต่างๆจึงได้ตั้งใจมาว่า เพื่อมาสร้างบุญบา ร, รมีที่เป็นหนที่จะทำให้พวกเรามีความสุขมีความเจริญมีความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายความแตกต่างของพวกเรานี้เป็นผลที่เกิดจากการสร้างสมบุญบา ร, รมีมาในอดีต ทำให้ชีวิตของเรามีความแตกต่างกันในทุกรูปแบบเช่นรูปรางหน้าตาความสวยงามความผ่องใสของผิวพรรณฐานะการเงินการทองสติปัญญาความรู้ความจราความประพฤติดีหรือประพฤติไม่ดีมีความสุด ความมีความทุกข์ล้วนเป็นผลที่เกิดจากการสะสมบุญบรารมีในอดีตมาเราจึงมีรูปร่างหน้าตาสวยงามไม่เท่ากันมีผิวพรรณผ่องใสไม่เท่ากันมีอาการ32ไม่เท่ากันมีอายุยืนยาวนานไม่เท่ากัน มีโรคภัยเบียดเบียนไม่เท่ากันมีเงินทองไม่เท่ากันมีความรู้ความฉลาดไม่เท่ากันเพราะเราสะสมบุญบา ร, รมีมาไม่เท่ากันนั่นเองถ้าเราสะสมบุญบา ร, รมีมากเราก็จะได้ผลมากถ้าเราสะสมบุญบา ร, รมีน้อยเราก็จะได้ผลน้อย ไม่มีใครสามารถที่จะมาสะสมบุญบารมีให้กับเราได้เราต้องเป็นผู้ที่สะสมบุญบารมีเองถ้าเราอยากจะให้ชีวิตของเราเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามีความสุขมากๆ ม, มีความทุกข์น้อยๆเราก็ควรที่จะ ส, สร้างบุญบารมีกันให้มากๆ บุญบารมีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาสร้างถัด น, นี้ก็มีอยู่สิบประการด้วยกันคือ 1. ทานบารบมี 2. องสิงบารบมี 3. เนคขมมะบารบมี 4. ีอุเบกาบารบมี 5. ปัญญาบารบมี 6. เมตตาบารบมี เจ็อธิษฐานบา ร, รมีแต่สัจจะบา ร, รมีก้าวิริยะบา ร, รมีและสิบขันติบา ร, รมีนี่คือบา ร, รมีเรือคุณสมบัติเรือคุณธรรมที่จะทำให้ชีวิตของเรารุ่ง เ, เรืองเจริญก้าวหน้ามีแต่ความสุขมีแต่ความจเจริญ มีอาการจากความทุกจากความเสื่อมเสียทั้งหลายข้อที่หนึ่งที่เราควรจะสะสมกันก็คือทานบรารมีทานบรารมีนี้ก็คือการให้ให้สิ่งที่เป็นของเราเป็นของที่เรามีมากเกินความจาเป็นให้ไปแล้วเราไม่เดือดร้อนอยากเก็บเอาไว้ เพรเป็นสมบัติชั่วคราวถ้าเราตายไปเราไม่สามารถเอาเงินทองติดตัวไปกับเราได้แต่เราสามารถเอาบุญบา ร, รมีติดตัวกับเราเอาทานบา ร, รมีติดตัวไปกับเราได้ทานบา ร, รมีนี่เป็นเหมือนซัพบเด็ดเป็นเหมือนบัตรเครดิตเงื่อบัตรเอทีเอที่เราสามารถเอาติดตัวไปกับเราได้ เวลาเราเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆเราไม่ต้องเอาเงินถอบไปเราเอาบัตรไปใบเดียวฉันใดเวลาร่างกายนี้ตายไปแล้วเราต้องออกจากร่างกายนี้ไปเดินทางต่อไปเราก็เอาบุญเอาทานบาณีไปกับเราได้ผู้ที่มีทานบาณีไปข้างหน้าก็จะมีทราบรออยู่ จะไม่อดอยาก่านแครจะมีทรัพย์มากน้อยตามกำลังของการสร้างทานบารมีอย่างพระพุทธเจ้าในชาติที่เป็นวทวเจษนดรพระพุทธเจ้าสอให้ทาน ส, สร้างบารมีทานบารมีอย่างมากมายพอท่านตายไปใจของท่านก็ได้ไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์ ไปเที่ยวในสวรรค์แล้วหลังจากกลับมาจากการท่องเที่ยวในโลกทิพย์ก็ได้กลับมาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเป็นราชกุมารมีทรัพย์สมบัติมากมายมีภาษาสามฤดูมีบริสัทบริวารห้อมล้องรับใช้ยอยู่อย่างมากมายนี่เป็นอนิสงส์ที่เกิดจากการสร้างทานการมี ดังนั้นถ้าพวกเราอยากจะไปอยากแบบศส่ใีไม่อยากจะไปแบบขอทานก็ขอให้เราหมั่นทำทานกันอยู่เรื่อยๆทำไปตามกำลังของเราอย่าดูคนอื่นว่าเขามีมากหรือมีน้อยแต่ละคนต้องทำไปตามกำลังของตนเองมีมากก็ทํามาก มีน้อยก็ทำน้อยอย่าอ้างว่ามีน้อยแล้วก็ไม่ทำก็จะไม่มีโอกาสได้ทำขอให้เราบอกว่าการทำทานนี้เป็นเหมือนกับการเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารทำได้เท่าไหร่ก็จะมีมีบุญสะสมไว้ในธนาคารบุญมีทรัพย์ภายในสะสมไว้ มีศับ ร, รอเราอยู่ไปในกพหน้าชาติหน้าต่อไปการทำบุญนี้ไม่สูงเปล่ารับรองได้แต่การไม่ทำบุญนี้หลัจะสูงเปล่าเพราะเวลาตายไปนี้จะไปมือเปล่าล่าจะไม่มีทานบารมีติดตัวไปด้วยจะไปแบบขอทานจะต้องมารอรับส่วนบุญของผู้ที่เขาทำบุญอุทิศให้ แต่ถ้าได้ทำทานอย่างโชคชนวยจะไปแบบเศรษฐีทานบุญที่เข้าอุทิศให้นี้จะไม่มีความสำคัญเพราะเป็นส่วนย่อยเป็นส่วนน้อยเป็นเหมือนค่ารถหรือเป็นเหมือนอาหาร่าอาหารที่จะให้ได้อยู่กินไปวันวันหนึ่งเท่านั้นดังนั้นเราอย่ารอให้ผู้อื่นเขา ส่งบุญไปให้เราเราควรที่จะสร้างบุญและเราจะได้เอาบุญนี้ติดตัวไปกับเรานี่คือบาราีข้อที่หนึ่งบาณีข้อที่สองก็คือศีลศีลบรารณีก็คือการละเว้นจากการกระทาบาปอย่างน้อยก็ห้าข้อด้วยกันคือไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ประพุติผิดปะเวณีไม่พูดผก ไม่เสพสุรา ย, ยาเราถ้ารักษาถ้าสร้างบารมีที่ได้รักษาศีลได้ทั้งห้าขอ้อตายไปก็ไม่ต้องไปเกิดในอาวยไม่ต้องไปรับผลของบาปที่ตนเองได้ทำไว้ตายไปถ้าได้ทำทางและได้รักษาศีลตายไปก็จะได้ไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์ในโลกสวรรค์ แล้วค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามผิวพรร์ผ่อมใสมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากมายแต่ถ้าไม่รักษาศีลตายไปก็ต้องไปเกิดในอบายาไปตกนรกไปเกิดเ็นเปรยไปเกิดเป็นเดราชาน และพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่มีอาภัพว่าอาภัพวาสนาบามีมีรูปร่างหน้าตาไม่สวยงามร่างกายพิกลพิการไม่ครบอาการสมสองมีโรคภัยไข้เจ็บเรี่ยนเบียนมีอายุสั้นไม่มีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง เกิดมาแล้วยากจนนี่เป็นผลของผู้ที่ไม่ทาทานและไม่รักษาศีลส่วนบารมีข้อที่สก็คือเนคขมมากบารมีเนคขมมบารมีก็คือการออกจากการหาความสุขทางร่างกายทางการ โดยทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นความสุขที่ชั่วคราวและมีความทุกข์ตามมาเวลาเราเสษกลางเราจะมีความสุขเวลาที่เราไม่ได้เสษกลามเราจะมีความเศร้าส้อยห่วยเหงาว้าเหววุ่นเหวินนำคาใจเพราะติด เวลาติดอยากจะเสพอะไรไม่ได้เสพอะไรเวลานั้นก็จะรู้สึกไม่สบายใจเช่นติดบุหรี่เวลาอยากจะสูบบุหรี่ถ้าไม่ได้สูบบุหรี่ก็จะรู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจติดสุราถ้าไม่ได้ดื่มสุราก็จะรู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจติดเที่ยวถ้าไม่ได้เที่ยวก็จะรู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจ นี่คือความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นของผู้ที่ยังเสพการมอยู่เวลาได้เสกก็มีความสุขแต่เวลาที่ไม่ได้เสกก็จะมีความทุกข์พระพุทธเจ้าทรงสอนว่ามีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการเสพการมนั่นก็คือความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบ การจะทำใจให้สงบได้เราต้องสละความสุขทางการอารมณ์เราต้องถือสินแปะสินห้านี้ไม่ยังไม่สามารถาตัดความอยากในการอารมณ์ได้ยังไม่สามารถป้องกันไม่ให้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายได้แต่ถ้าถือสินแปแล้ว ก็จะไม่สามารถไปได้เช่นสิ่งข้อสก็คืออะพรัมจาริยาเวระมณีแปลว่าจะไม่ร่วมหลับนอนกับใครจะไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนแล้วสิ่งข้อที่6ก็คือวิการะโภชนาแปลว่าจะไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารแบบไม่มีขอบไม่มีเขต จะรับประทานอาหารเพื่ออยู่ไม่ได้รับประทานอาหารเพื่อให้เกิดความสุขเกิดความอิ่มหนำสำาราญใจรับประทานอาหารเหมือนกับการรับประทานยารับประทานเพียงเพื่ออยู่ให้ร่างกายอยู่ได้ไม่เดือดร้อนไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ตายเพราะขาดอาหาร นี่คือสิ่ข้อ6คือจะไม่หาความสุขจากการดื่มจากการรับประทานเช่นไปงานเลี้ยงตอดค่ำอย่านี้ผู้ที่ถือสิลข้อหนี้ก็จะไม่ไปไปไปงานเลี้ยงต่างๆแล้วก็จะรักษาศิลข้อที่7ก็คือจะไม่หาความสุขจากเครื่องบรรเทิาต่างๆจะไม่หาความสุขจากการดูภาพประยุกต์ จากการร้องนำทำเพลงจากการไปท่องเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆและจะไม่หาความสุขจากการแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอภารรที่สวยงามวิจิตรทีษฎดาไม่หาความสุขจากการใช้เครื่องสัมาใช้น้ำหอมต่างๆอันนี้เป็นความสุขประเดียวปับดาวเป็นความสุขปลอม เพราะร่างกายนี้ยังไงยังไงก็จะต้องอส่งกลิ่นที่ไม่เึ็นป่าเถนาออกมาร่างกายนี้ต่อให้แต่งกายให้สวยงามอย่างไร mm. ก็จะหนีไม่พ้นความแก่ไปได้ mm. เวลาแก่ก็ดูไม่สวยงาม mm. เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูไม่สวยงาม mm. เวลาตายก็ดูไม่สวยงามดังนั้นอย่าไปหาความสุข ที่เป็นของปลอมขอให้เรามาหาความสุขจากการทำใจให้สงบนี่ขับมะบามีนีเป็นการสกัดกัน้นการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อส่งเสริมการหาความสุขทางจิตใจข้อที่สี่ก็คือ อุเบกขาบารมีอุเบกขาบารมีคือการทําใจให้เป็นการทําใจให้ปราศจากอารมณ์ต่างๆเช่นความรักความชังความโกรธความเปลี่ยนเพราะอารมณ์เหล่านี้จะทําให้ใจวุ่นวายจะทําให้ใจไม่สงบจะทําให้ใจไม่มีความสุขถ้าเรามีอุเบกขาอยู่ในใจแล้ว ใจของเราจะเย็นจะสบายจะไม่วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเห็นอะไรหรือได้ยินอะไรจะไม่เดือดร้อนจะไม่มีอารมณ์กับสิ่งต่างๆวิธีที่จะทำให้ใจของเราเป็นอุเบกขาก็คือการฝึกนั่งสมาธิการฝึกจเจริญสติก่อนที่จะนั่งสมาธิ เพื่อให้ใจสงบเป็นอุเบกขาได้ก็จาเป็นที่จะต้องอมีสติก่อนสตินี่เป็นเหมือนเชือกส่งจิตของเรานี่เป็นเหมือนลิงถ้าเราอยากจะจับลิงเข้าไปขังไว้ในกรงถ้าเราไม่มีเชือกคล้องคอลิงเราจะไม่สามารถจับลิงเข้าไปอยู่ในกรงได้เราต้องมีเชือกมาคล้องคอลิง แล้วก็ลากเลงเข้าไปในกลงฉันใดใจของเราก็เป็นอย่างนั้นใจของเราจะไม่สงบได้ถ้าเราไม่มีสติคอยควบคุมความคิดเราต้องหยุดความคิดให้ได้ถ้าเราหยุดความคิดได้แล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบใจก็จะเข้าสู่สมาธิเวลาใจสงบเป็นสมาธิแล้วใจก็จะเป็นกลางเป็นอุเบกขา จะเฉยๆจะรู้แต่ไม่มีปฏิกิยากับสิ่งที่รับรู้จะได้ยินเสียงชมก็เฉยๆจะได้ยินเสียงนินทาก็เฉยๆจะได้ราบมาก็เฉยๆจะเสียราบไปก็เฉยๆจะได้สิ่งที่รับมาก็เฉยๆจะเสียสิ่งที่รักไปก็เฉยๆอันนี้แหละเป็นความสุขที่แท้จริง เพราะว่าไม่วุ่นวายไม่ถืดรอนกับเหตุการณ์ต่างๆพวกเราอยู่ในโ่มของการเจริญและของการเสื่อมไม่มีอะไรที่จะเจริญไปอย่างเดียวมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมไม่มีอะไรที่เกิดแล้วไม่ดับแต่ถ้าเราทำใจของเราให้เป็นอุเบกขาได้เวลามีเหตุการณ์ เกิดขึ้นเราจะไม่เดือดร้อนเราจะไม่วุ่นวายเวลามีอะไรเกิดก็ไม่ตื่นเต้นเวลามีอะไรดับก็ไม่เดือดร้อนมีอะไรเจริญก็ไม่เดือดร้อนมีอะไรเสื่อมก็ไม่เดือดร้อนเช่นจะมีการเจริญทางลาบทุสารเสริอทางความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายก็ไม่ได้ยินดีแต่อย่างใดจะรู้สึกเฉ ย, เฉย เวลาเกิดความเสื่อมทางราบเงสารเสิรญสุขก็จะไม่เดือดร้อนจะรู้เฉยเฉยจะมีความสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือความสุขทั้งหลายพวกเราจึงควรจเจริญสติอยู่เรื่อยการเจริญสติก็คือให้ระลึกถึงคำว่าพุทโธพุทโธไปคิดแต่คำว่าพุทโธพุทโธ อย่าไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ถ้าไม่มีความจำเป็นจะต้องคิดก็ให้คิดแต่พุโทโธพุโทโธไปแล้วใจจะว่างจากความคิดใจจะเป็นกลางใจจะรู้สึกเย็นจะสบายจะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับเรื่องราวต่างๆนี่คือเรื่องของอุเบกขาบารมีส่วนปัญญาบรารมีก็คือการสอนใจให้ฉลาด เพื่อจะได้ไม่ไปทุกข์กับสิ่งต่างๆใจของเราตอนนี้ยังมีความหลงอยู่ยังไม่มีปัญญายังมีความเห็นผิดเป็นช่อเห็นกงจากเป็นดอกบัวคือไม่เห็นไม่ตรงกับความเป็นจริงเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเราเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราว่าเป็นตัวเรา พอเห็นอย่างนี้ก็จะเกิดความยึดติดเกิดความอยากอยากให้สิ่งที่เรายึดติดนี้อยู่กับเราไปนานๆแต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นของชั่วคราวเป็นของที่มีเจริญมีเสือ่อมเป็นธรรมดามีเกิดมีดับเป็นธรรมดาเช่นรากยศสารเสริอมสุขมีเจริญและก็มีเสื่อมไป ร่างกายของพวกเราก็มีเจริญแล้เสื่อมไปมีเกิดแล้วก็มีแก่มีเจ็บมีตายตามมาต่อไปนี่คือปัญญาที่เราจะต้องสอนใจให้ฉลาดไม่ให้หลงไปยึดติดกับสิ่งต่างๆเพราะว่าไม่มีอะไรเป็นของเราเรามาตัวเปล่าๆเวลาเรามาเกิดนี่เราไม่ได้เอาอะไรติดตัวมาเลย ร่างกายนี้ก็เราก็ไม่ได้เอามาเรามาได้ร่างกายในโลกนี้ได้ร่างกายจากพ่อจากแม่และเราก็ใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือหารากยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกิน่นกายแต่ร่างกายของเรานี้จะไม่อยู่ไปตลอดร่างกายของเราอยู่ได้ไม่เกินร้อยปีก็จะต้องตายไป พอตายไปของต่างๆที่เราหามาได้ก็กลายเป็นของคนอื่นไปเราไม่สามารถเอาอะไรติดตัวไปกับเราได้เรามาตัวเปล่าๆแล้วเราไปตัวเปล่าๆถ้าเราไม่ยึดติดไม่อยากให้สิ่งต่างๆอยู่กับเราเป็นของเราไปนานาเราก็จะไม่มีความทุกข์กับสิ่งต่างๆทุกวันนี้ ความทุกข์ของพวกเรานี้อยู่ที่ความอยากของเราอยากให้สิ่งต่างๆที่เรามีอยู่นี้อยู่กับเราไปตลอดไม่อยากให้เขาจากเราไปถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราต้องสอนใจให้รู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรจะอยู่กับเราไปตลอดเราต้องพร้อมที่จะให้เขาจากเราไป ถ้าเราพร้อมแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆนี่คือปัญญาบามีข้อต่อมาก็คือเมตตาบารมีเมตตาบามีก็คือความปรารถนาดีต่อผู้อื่นขอให้เรามีความปรารถนาดีหวังดีให้อยากให้ผู้อื่นเขามีความสุขมีความเจริญ อย่าไปโกรธไปเกลียดว่าความโกรธความเกลียดนี้จะทำให้ใจของเราไม่สบายทำให้ใจของเราทุกข์แต่ถ้าเรามีความเมตตามีความบาถนาดีเราจะมีความสุขถึงแม้ว่าผู้อื่นเขาจะทำอะไรให้เราเดือดร้อนทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจ เราต้องไม่ไปโกรธไปเกลียด เ, เ, เขาเราต้องแผแ่เมตตาด้วยการให้อภัยถ้าเราให้อภัยได้แนละ้วใจของเราจะไม่ทุกข์กับการกระทาของผู้อื่นผู้อื่นจะด่าเราจะทุบตีเราหรือจะทำอะไรต่างๆกับเราถ้าเราให้อภัยกับใคได้ใจของเราจะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อน แต่ถ้าเราให้อภัยไม่ได้ใจของเราจะร้อนเป็นไฟเหมือนตกนรกทั้งเป็นนะถ้าเราไม่สามารถควบคุมความโกรธความเกลียดได้ก็จะทำให้เราต้องไปทำบาป ท, ทำกรรมจะทำให้เราต้องไปใช้เวรใช้กรรมกับการทำบาป ท, ทำกรรมของเราต่อไปการแผ่เมตตานี้ จึงเป็นเรื่ที่จำเป็นอย่างยิ่งเพราะเราอยู่ในสังคมร่วมกันก็เป็นเหมือนเล่นกับฝันที่มีโอกาสที่จะกระทบกระท่างกันได้เราอยู่กับใครเราก็อาจจะมีะความมีปัญหาเกิดขึ้นได้เกิดการทะเลาะหมกแมงกันได้เกิดการแก่งแยกชิงดีกันได้ แต่ถ้าเรามีความเมตตาเราก็จะไม่มีปัญหากับใครเราจะไม่โกรธไม่เกลียดใครถึงแม้ว่าผู้อื่นเขาจะไม่ดีกับเราเราจะให้อภัยกับเขานี่แหละคือการทำให้ตัวเรานั้นมีความสุขและทำให้เราไม่ต้องไปทำบาป ท, ทากรรมทำให้เราไม่ต้องไปเกิดนัยบา การให้าได้กลับมาเกิดเป็นมนุษนที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามมีคนร่างคนชื่นชมยินดีบา ร, รมีหลังนี้นะั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยบา ร, รมีข้อต่อไปก็คืออธิฐานบา ร, รมีอธิฐานบา ร, รมีแปลว่าความตั้งใจเราต้องมีความตั้งใจที่จะสร้างบา ร, รมีต่างๆ เช่นสร้างฐานบารมีศีลบารมีเนคขมากบารมีถ้าเราไม่มีความตั้งใจเราก็จะไม่ได้สร้างบารมีหลังดีเช่นวันนี้ถ้าเราไม่มีความตั้งใจที่จะมาวัดเราก็จะไม่ได้มาสร้างฐานบารมีไม่ได้มาสร้างศีลบารมีไม่ได้มาสร้างเนคขมากบารมีไม่ได้มาสร้าง อุเบกขาบารมีไม่ได้มาสร้างปัญญาบารมีแต่พอเรามีความตั้งใจแล้วพอเราตื่นขึ้นมาเราก็รู้แล้วว่าวันนี้เราจะต้องมาวันนอกจากมีอธิฐานบารมีแล้วเราก็ต้องมีสัจบารมีด้วยคือความจริงใจแน่วแน่นต่อความตั้งใจเช่นเราตั้งใจจะทำอะไรแล้ว ถ้าเราไม่มีสัจจบารามีเราก็อาจจะเปลี่ยนใจได้พอตื่นขึ้นมาเกิดความรู้สึกเกลียดคราบก็เลยเปลี่ยนใจวันนี้ไม่มาดีกว่าถ้าอย่างนี้แล้วการมี อ, อธิษฐานบารามีก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าอยากจะให้อธิษฐานบาลมีเกิดเป็นผลเราก็ต้องมีสัจจบารามีมาคอยควบคุมอีกขั้นหนึ่ง ถ้าเรามีสัจจะแล้วเรามีความแน่วแน่แล้วพอตื่นขึ้นมาจะมีความรู้สึกอย่างไรเราก็จะไม่ให้มาเป็นอุปสรรคเราจะต้องมาให้ได้ยกเว้นว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยลุกขึ้นไม่ไหวจริงๆเท่านั้นถ้าเป็นเหตุสุวิสัยแล้วเราจะไม่มานี่คือเรื่องของสัจจะบารมีถ้าเราตั้งใจแล้วไม่มีสัจจะบารมี ส่วนใหญ่เราจะล้มเหลวกันตั้งใจจะเลิกสูตบุหรี่ก็เลิกได้วันเดียวแล้วเดี๋ยวก็ล้มเหลวไปตั้งใจจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เช่นในช่วงปีใหม่นี้เรามักจะตั้งตั้งอธิษฐานจิตกันว่าจะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้พอเวลาผ่านไปได้ไม่กี่วันก็ล้มเหลวไปหมดเพราะไม่มีความแน่วแน่มั่นคงต่อความตั้งใจ ไม่มีสัจจะผู้ที่มีสัจจะมีอธิษฐานนี่แหละจะเป็นผู้ที่จะสามารถทําอะไรต่างๆให้เกิดขึ้นได้เช่นพระพุทธเจ้าของพวกเราก็ต้องมีอธิษฐานมีสัจจะบรารมีถึงสามารถบรรลุตัศนุลุเป็นพระพุทธเจ้าได้ตอนที่พระองค์นั่งอยู่ใต้ต้นโพพระองค์ก็ต้องก็สรงตั้งสัจจะบรารมีสัจจะอธิษฐาน ว่าจะนั่งอยู่ใต้ต้นนี้ต้นไม้นี้จนกว่าจะตัดสรูรถ้าตามใดยังไม่ตัดสูจะไม่ลูกจักที่นั่งนี้ไปเป็นอันขาดและเลือดในร่างกายจะเหือดแห้งไปก็ยอมให้เหือดแห้งไปยอมตายดีกว่าไม่ทำตามที่ได้ตั้งสัจจะอาไวนี่คือความสำคัญของอัต สัจจะกับอธิษฐานบารมีถ้าเราไม่มีแล้วเราจะไม่สามารถสร้างบารมีข้ออื่นได้เช่นทานบารมีศีลบารมีนอกจากมีอธิษฐานมีสัจจะแล้วก็ยังไม่พอก็ยังอาจจะทำแต่ทำไม่ได้มากถ้าเราไม่มีวิริยะบารมีถ้าเรามีความขยันเราจะทำได้มาก ถ้าเราไม่มีความกยันเราก็อาจจะทำไปพอหอมปากอของคอทำไปแต่เป็นพิธีเพื่อไม่ให้เสียสัตว์แต่ถ้าเรามีวิริยะบารามีแล้วเราจะทำมากเลยทีเดียวนอกจากมีวิริยะบารามีล้วก็ต้องมีอีกข้อหนึ่งคือขันติบารามีเพราะว่าถ้าเราทำไปแล้วไปเจอของยากของลำบาก เราก็อาจจะเกิดความท้อแท้ได้อาจจะทําไม่ไหวอาจจะสู้ไม่ไหวก็อาจจะทําไม่มากทั้งๆ ท, ที่อยากจะทําแต่ถ้ามีขันติบรารมีความอดทนแล้วจะยากลําบากอย่างไรก็สู้ไม่ยอมไม่ถอยคนผูนน้ที่มีความอดทนนี้จะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆที่ยากลำบากไปได้จะสามารถทํา สิ่งต่างๆให้สำเร็จได้ตามที่ใจปรารถนานี่คือบารมีทั้ง1ิงประการด้วยกันที่พวกเราได้มาสร้างกันในวันนี้ขอให้พวกเราพยายามทำกันให้มากๆเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไปทั้งในภพนี้และชาตินี้การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา